Oh. คนที่ายดีทุกคนนะก็ล้วนปรารถนาให้ชีวิตองตนเนี่ยเป็นชีวิตที่ดีงามชีวิตที่ดีงามเนี่ยบางทีเขาก็เปรียบเหมือนกับการเดินขึ้นเขานะการที่เราจะมีชีวิตที่ดีงามได้นี่ก็ไม่ต่างจากการเดินขึ้นเขาอย่างนี้หนึ่งเนี่ยเขามันนำ ม, มันนำพาเราไปสู่ที่สูงแต่ขณะเดียวกันมันก็ต้องต่อสู้กับแรงดึงดูดนะเพราะฉะนั้น เมื่อเราเดินขึ้นขขาเราก็จะรู้สึกเหนื่อยเรมนต้องใช้เรียวใช้แรงต้องขับเขีื่อนตัวเองให้เดินขึ้นไปข้างหน้าเดินขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆไม่เหมือนการเดินลงเขานะเดินลงเขานี่ก็เหมือนกับว่านำพาชีวิตสู่ทางที่ต่ำมันไม่เหนื่อยอะไรเลยเพราะว่ามัน ถลายลื่นไปตามแรงดึงดูดของโลกเนไม่เหนื่อยสบายหรือบางทีก็เปลี่ยนมือ ก, การวิทีดีงามก็เปลี่ยนเมื่อการเดินหรือว่ายทวนกระแสน้ำพราะมันเวลาทวนกระแสน้ำาก็เหนื่อยนะตรงข้ามเนี่ยในชีวิตที่ ตกตามยื่อแย่ก็เปลี่ยนเหมือกับการปล่อยชีวิตให้มันไหลไปตามกระแสน้ำเหมือนกับสวะเหมือนจอกแหน่นั่นหมายความว่าในการดาเนินชีวิตทีด่ดีงามเนี่ยเราก็ต้องขับเขี้ยวรักดันตัวเองซึ่งก็หมายถึงการต่อสู้กับกิเลสซึ่งมาในรูปต่างๆ เช่นความเกียดคร้านความโลภความอยากสบายความหลงเพลินในวัตถุสิ่งเสพรวมทั้งความกโกรธความพยาบาทไอ้พวกนี้มันก็เป็นกิเลสที่มาในรูปต่างๆที่มันมีแต่จะฉุดให้ ชีวิตจิตใจของเรานะถดถอยย่าแย่หรือตกไปในทางที่ต่ําแล้วก็ลงเอยด้วยความทุกข์ตัวเองทุกไม่พอนะทำให้คนอื่นทุกตามไปด้วยโดยการระบายความทุกข์ใส่คนอื่นหรือว่าก่อทุกข์ให้กับผู้อื่นเป็นตน้นนั้นในการดํารงชีวิตที่ดีงามเนี่ยมัน ต้องอาศัยการต้องอศสยกำลังใจใจที่เข้มแข็งต้องอาศัยการกดข่มใจเรื่องตั้งแต่เนี่ยเรียนหนังสือนี่มันก็ต้องก่มกิเลสนะมันไม่อยากเรียนความเกลียดคร้านมาครอบงำหรือว่าอยากจะ ที่ออกเตสนุกสนานไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นอุปสรรคขัดขวางนะชีวิตที่ดีงามซึ่งเราก็ต้องต่อสู้ขับเคี่ยวกับมันอันนี้มันไม่ใช่เพราะการเรียนนะซึ่งเห็นชัดๆว่ามันทำให้มีอาชีพการงานที่มั่นคงแต่มาลดถึงการ รักษาตนให้มีคุณธรรมด้วยเช่นมีศีลเนี่ยนะคนเราจะมีศีลห้าได้นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันก็ต้องต่อสู้กับความโกรธความโลภไม่งั้นมันก็พาให้เราผิดศีลฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือว่าลักขโมย ประพฤติผิดในกามรวมทั้งการทำร้ายคนด้วยคำพูดโกหกสอเสียดใส่ร้ายนะหรือผู้ใจหยาบคายแม้กระทั่งไอ้สุรายาเมาเนี่ยนะถ้าเราไม่รู้จักหักห้ามใจนะมันก็ง่ายนะ ที่จะเข้าหาสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีการโฆษณาเชิญชวนให้คนรู้สึกว่าเนี่ยมันต้องถ้าอยากจะแมนเป็นอยากจะแมนอยากจะเท่อยากจะเข้าสังคมมันก็ต้องกินต้องเสพสิ่งเหล่านี้หรือบางคางก็ เราหลอกเราว่าเนี่มันช่วยคลายเครียดนะช่วยทำให้ผ่อนคลายได้นะคนเดี๋ยวนี้ก็เครียดมากพอถูกเชิญชวน ย, วย้อนชวนแบบนี้มันก็ถลเขก็ไปได้ง่ายมากถ้าไม่รู้จักขัดข้ามใจให้การที่เราจะเป็นผู้เป็นคนได้เนี่ยโดยเพพาะในสังคมทุกวันนี้ได้เนี่ย เราต้องมีความสามารถในการข่มใจความสามารถในการถักห้ามใจส่วนทั้งการเขี่ยวเขยนตนเองไม่ให้พ่ายแพ้ต่อกิเลสหรือความปรารถนาไฝ่ต่ำและพวาะเรารู้จักข่มใจเราจึงสามารถที่จะนำพาชีวิตทำสิ่งดีๆได้ เพราะสิ่งดีๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็แม้มันจะถูกต้องนะแต่มันไม่ถูกใจไม่ถูกใจกิเลสเอาง่ายๆเรื่องอาหารเนี่ยนะอาหารที่มันจะเกลือกเกินสุขภาพเนี่ยถูกต้องก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ถูกใจคนมากมายมันไม่อร่อยหรือ มันไม่มีรสจัดจ้านมันจืดมันไม่หวานไม่มันไม่เค็มอย่างที่ลิ้นเราปรารถนาหรือว่ากิเลสต้องการแต่มันไม่ใช่แค่ เ, ร, เรื่องอาหารอย่างเดียวนะมันเรื่องอื่นด้ว ย, ยที่เราต้องรู้จักนะควบคุมใจของเรา ต้องรู้จักหากห้ามใจไม่ให้ไหลไปตามอำนาจของกิเลสหรือว่าสิ่งร่อเราเย้ายวนรวมทั้งการที่เรานะพาตัวเนี่ยของเราเนี่ยมาที่นี่เพราะเราเห็นประโยชน์นะของการฝึกสติการทำสมาธิการทำกรรมฐาน เรารูวมมันดีมีประโยชน์นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเห็นว่าดีแล้วจะมาที่นี่ได้โดยง่ายนะมันยากนะที่ว่ายากนี่มันไม่ใช่เพราะว่าเส้นทางการค ม, มนาคมมันลําบากเดีย๋ยวนี้เรามีรถนะถนนก็ดีแต่มันยากเพราะใจนี่มัน มันไม่ยอมไม่ยอมเออออด้วยนะรู้ว่าดีนะแต่ว่าใจมันไม่คล้อยตามเหมือนกับเราก็รู้ว่านะอาหารสุขภาพนีดีนะออกกาลังกายนีดีนะแต่ทำไมนะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายทำไมไม่ค่อยไดนะ้ใส่ใจกับอาหารที่มีคุณภาพเท่าที่ควรนะ ก็ใจมันไม่คล้อยตามจะให้จะให้ใจคล้อยตามบางทีมันก็ต้องเขี้ยวเข็นนะหรือทำสิ่งที่ฝืนใจตัวเองจริงๆก็คือฝืนกิเลสนั่นแหละจะทำกันได้ใจก็ต้องเข้มแข็งเข้มแข็งพอที่จะฝืนอำนาจของกิเลสแนการที่เรารู้ว่าการมา เตืสติมาทำสมาธิเป็นของดีแต่ว่าหลายคนก็ไม่มาเพราะว่าใจมันไม่ใจมันมันบ่ายเบียงนะมันพยายามหาข้ออ้างนะแต่การที่พวกเราหลายคนมาถึงนี่ได้เนี่ยมันก็แสดงว่าเนี่ยเราสามารถที่จะหักห้ามใจหรือว่า ทวนกระแสกิเลสได้เราจึงมาที่นี่เพราะที่นี่เนี่ยมันก็นอกจากมันจะไม่ค่อยสะดวกสบายเหมือนกับที่บ้านเราแล้วเนี่ยวิถีชีวิตมันก็ไม่ได้ทาให้เรารู้สึกเกิดความเพลิดเพลินเดี๋ยวนี้จะทาอะไรมันต้องสนุกทําอะไรมันก็ต้องสบาย แต่ว่าการมาใช้ชีวิตที่นี้เนี่ยมันไม่ทั้งสนุกทั้งไม่สนุกแล้วก็ไม่สบายแล้วก็บางทีก็ชวนให้เบื่อหน่ายเพราะไม่คุณนกับการที่ต้องมาอยู่คนเดียวยิ่งต้องมาลงมือปฏิบัติเดินจงกรมก็ดีสร้างจังหวะก็ดีมันไม่ใช่แค่เป็นสิ่งที่ไม่คุ้นนะแต่ว่า มันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อด้วยสำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ฝึกใหม่เนี่ยวเนี่ยมต้องเขี่ยวเขยนตนเองนะต้องพาตัวเองลุกจากที่นอนตั้งแต่เช้ามาทำวัดนะตีสแล้วก็ต้องเขี่ยวเขยนตนเองบังคับตัวเองให้มาเดินจงกรมมาสร้างจังหวะ ยิ่งถ้าหากว่ามาคนเดียวดวยแลเนี่ยมันยิ่งต้องเขี่ยวเข็นตนเองยิ่งเข้าไปใหญ่นะเพราะว่าไม่มีครูบาอาจารย์มาผักดันไม่มีเพื่อนมาเขียเข่ยวเข็นเพรา ะ, ะนั้นการที่เรามาถึงนี่ได้เนี่ยมันต้องอาศัยการเขี่ยวเข็นตนเองนะมากทีเดียวต้องอาศัยการข่มใจสู้กับกิเลส แล้วพอมาพอเราทันทีที่เราเริ่มเดินจงกรมสร้างจังหวะนะเราต้องเรียนรู้การวางใจอีกแบบหนึ่งการวางใจที่ว่านี่คือการยอมเรืออนุญาตให้ใจเนี่ยหรือความคิดและอารมณ์ต่างๆเนี่ย มันไม่เป็นไปอย่างที่เราปรารถนาหลายคนมาเนี่ยแล้วก็เราปรารถนาหรืออยากให้ใจสงบพอยากใจสงบนะสิ่งที่ทำก็คือพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดแล้วก็ถ้ามันฟุ้งก็ต้อง สู้รบต่อมือความฟุ้งนั้นแต่ว่าวิธีแบบนี้เนี่ยทำไปนานๆเข้านะมันยิ่งทำให้เครียดและยิ่งทำให้ฟุ้งมากขึ้นหลายคนทำแล้วเนี่ยทำไปสักพักเนี่ยปวดหัวแน่นหน้าอก หรือบางทีก็มีอาการเพียนๆนะอย่างที่ได้ฟังคำบรรยาของหลวงพ่อคำเขียนเมือม่อเมื่อเช้านี่ยยมตั้งใจปฏิบัติยกมือสร้างจังหวะเพราะว่ามือมันติดนะติดที่หน้าอกขยับไม่ได้เลยตั้งแต่ตีสามจนเช้านี่แปดโมงเนี่ยอันนี้เพราะเพราะเพลงนะ และทิพเพ่งเพราะว่าพยายามบังคับจิตให้มันจดจ่ออยู่กับมือบ้างอยู่กับเท้าบ้างหรือบังคับจิตไม่ให้คิดในวิธีนี้มันก็ยิ่งทำให้เป็นทุกข์มากขึ้นทั้งที่มาเพื่อจะพบกับความสุขความสงบเย็น และนี่ก็เป็นปัญหาของนักปฏิบัติจำนวนมากพยายามที่จะควบคุมบังคับจิตไม่ให้คิดไม่ให้ฟุง้งหรือว่าบังคับจิตให้มันอยู่กับมืออยู่กับเท้าเพราะถ้ามันออกไปมันก็จะไหลเข้าไปในความคิดปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆนานาคือเลยต้องบังคับมันเอาไว้ ทั้งทั้งที่ภูบาจารย์ก็บอกแล้วนะว่าเออมันคิดก็ก็ช่างมันอย่าไปห้ามเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกให้คิดน้อยหรือไม่คิดเลยแต่เราฝึกเพื่อที่จะรู้เท่าทันนะความคิดนั้นแต่หลายคนก็ไม่ยอมนะจะพยายามบังคับควบคุมความคิดให้ได้ เพราะอะไรนะเพราะอยากสงบเพรา อ, อยากสงบแล้วเนี่ยมันก็คิดถึงการควบคุมความคิดควบคุมจิตหรือว่าข่มอารมณ์อันนี้มันก็สำหรับหลายหลายคนเนี่ยการที่จะให้แค่ดูหรือรู้ทันอารมณ์โดยที่ไม่ไปกดข่มมันเนี่ย หรือที่ครูบาจารย์เรียกว่ารู้ซื่อเนี่ยหลายคนลูกส่วนเป็นเรื่องยากนะเพราะมันติดนิสัยนะติดนิสัยไปบังคับจิตไปข่มจิตไอ้นิสัยนี่มันก็ดีนะเพราะมันทําให้เราเป็นผู้เป็นคนมันทําให้เรามีสีมันทําให้เร า, าสามารถจะทำสิ่งยากให้สําเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการศึกษาหรือการงานแต่ว่า เราต้องเรียนรู้การวางใจอีกแบบนึงด้วยนะก็คือการแค่รู้หรือดูเฉยเฉยไม่ว่าความคิดและอารมณ์ใดเกิดขึ้นในใจแต่ก่อนเนี่ยถนัดกับการเข้าไปสู้รบตบมือรมรันพันตูกับอารมณ์เช่นมีความกรัก ว, ก ว, วก็ไปกดข่มความกรัวมีความอยากก็ไปกดข่มความอยาก วิธีนี้มันก็ใช้ได้ผลนะในหลายเรื่องที่ผ่านมาในชีวิตของเราแต่พอมาเจริญสติเนี่ยมาฝึกสติมาทำความรู้สึกตัวเนี่ยไอ้วิธีเนี่ยหรือนิสัยแบบนี้มันกลายเป็นอุปสรรคได้นะมันมีประโยชน์เหมือนกันนะมันพอเราไม่มีนิสัยที่รู้จักข่มใจเนี่ยมันก็ไม่ทำให้เราเนี่ยเดินมา ปฏิบัติลุกจากที่นอนมาปฏิบัติแต่ทันทีที่เริ่มปฏิบัตินะเริ่มวินาทีแรกเลยไม่ไว่าจะเป็นเบิร์จงกรมหรือสร้างจังหวะต้องทิ้งนิสัยนะควบคุมจิตนะี่เอาไว้ทิ้งไว้เลยนะซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าคนสมัยนี้เนี่ยเขา ถูกลอลลอมมาให้ไปพยายามควบคุมสิ่งต่างๆมากมายจัดการสิ่งต่างๆนอกตัวไม่ว่าจะเป็นข้าวของเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งผู้คนบริษั ท, บ ร, ษทบริวารลูกน้องต้องควบคุมต้องจัดการอันนี้ไม่นับถึงการข่มใจเพื่อทำให้ชีวิตเราเนี่ยนะมันทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามนั้นพอถูก ฝึกมาหรือหล่อล้อมตัวเองให้ชอบควบคุมจัดการกับสิ่งต่างๆภายนอกพอมาภาวานาเนี่ยมันอดไม่ได้เนี่ยที่จะควบคุมจัดการกับความคิดจิตใจของตัวเองพอมีสิ่งที่ไม่ชอบเกิดขึ้นเช่นความฟุง้งซ่านความหงุดหงิดนะความเบื่อหน่ายก็พยายามไปกดข่มมันเอาไว้แต่สิ่งที่ ตามมาคือมันไม่ได้ผลนะยิ่งกดข่มความคิดมันก็ยิ่งฟุง้งหรือว่ายิ่งสู้กับมันยิ่งต้านมันก็ยิ่งพยศทั้งที่วิธีนี้มันเหนื่อยนะแต่คนก็ชอบทำและพอให้ทำวิธีที่ง่ายๆคือแค่ดูมันเฉยๆทำไม่ได้ไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นในใจ เห็นมันเมื่อไหร่เข้าไปตะปบมันก็ไปขมมันเดีย๋ยวว่าความคิดเนี่ยความคิดที่มันรักคิดนี่ไปโ ก, โกดข่มมันหรือว่าถ้าข่มไม่ไหวก็บังคับจิตไม่ให้คิดเลยซึ่งก็ไม่ได้ผลแล้วตามไม่ได้ความเครียดเราต้องมาลองนะใช้วิธีใหม่นะวางใจแบบใหม่นะคือแค่ดูมันเฉยเฉยหรือว่ารู้เฉยเฉย ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่สวนทางกับนิสัยความเคยชินเดิมๆแต่มันคือสิ่งที่จำเป็นนะเราต้องมาเรียนรู้วิธีนี้บางก็คือว่าแค่รู้ทันอารมณ์ความคิดที่เกิดขึ้นหรือว่ารู้เฉยๆแต่ก่อนก็เผลอตามมันพอมาปฏิบัติเข้าก็จะมาต้านมันท่าเดียวแต่ทางสายกลางมันมีนะคือไม่ตามไม่ต้าน แต่แค่ดูเฉยซึ่งก็หมายความว่ายอมให้อารมณ์หลายอย่างความคิดหลายอย่างเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ต้อนรับเฉพาะความสงบความโล่งความโปร่งความเบาความสดชื่นเบิกบานแต่ถึงตรงข้ามเนี่ยความหม่นหมองความเครียดความฟุ้งนะความหงุดหงิดนี่ เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับมันนะเมื่อเห็นมันก็ไม่ไปสู้รบตบมือกับมันเพราะขืนทันงั้นก็เข้าทางมันเข้าทางจริงๆเลยนะเพราะเป็นการต่ออายุให้มันเป็นการเพิ่มพลังให้มันยิ่งกดข่มความโกรธมันยิ่งโกรธมากขึ้นยิ่งไปกดข่มความคิดมันก็ยิ่งฟุ้งเข้าไปใหญ่เหมือนกับเราไปกด ลูกบอลในน้ำเนี่ยเรากดตอนที่เรากดเนี่ยมันก็จมน้ำนะแต่พอเราปล่อยมือเมื่อไหร่มันก็พุดกระโดดขึ้นมาเลยแรงด้วยกดแรงเท่าไหร่มันก็กระโดดขึ้นมาพุดขึ้นมาเร็วแรงเท่านั้นมันมีวิธีที่ดีกว่านะั่นคือคือว่ากับอารมณ์เหล่านี้คือแค่รู้เฉยๆนะอย่าไปรังเกียจมันอย่าไป รู้สึกลบกับมันเพราะถ้ารู้สึกลบกับมันก็อดไม่ได้ที่จะไปกดข่มมันแค่ดูเฉยเฉยเป็นสิ่งที่อันนี้เป็นการวางใจที่เราต้องเรียนรู้ด้วยเพราะว่ า, าการที่มีอะไรเกิดขึ้นกับใจแล้วเราทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะแต่เป็นเพราะเราไปกดข่มมันไปรู้สึกลบกับมัน อันนี้ไม่ใช่เฉพาะอารมณ์อย่างเดียว น, นะสิ่งภายนอกที่มากระทบด้วยเช่นเสียงเนี่ยเสียงเนี่ยถ้ามากระทบเนี่ยแล้วเราต่อต้านมันผลักสมันนะเรายิ่งทุกข์แต่พอเราเรารู้สึกเฉยๆกับมันหรือเราวางเฉยกับมันนะไม่ทุกข์หรอกแม้มันจะเป็นเสียงโทรศัพท์เสียงค้อนเสียงหมาเห่าเสียงรถมอเตอร์ไซค์ถ้าเรา จะเรียกว่าวางเฉยกับมันหรือว่าแค่รู้เฉยๆเนี่ยเราไม่ทุกข์หรอกแต่ที่ทุกข์เนี่ยเพราะไปต่อสู้ขัดขืนหรือว่าผักไสมันในการวางใจคือการยอมรับหรือว่ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆเนี่ยมันเป็นมันเป็นศิลปะที่สำคัญนะที่เราต้องเรียนรู้และมันเป็นสิ่งจำเป็นด้วยนสหรับการเจริญสติ มันจะคิดกี่ครั้งคิดมากเท่าไหรก่ก็ไม่หงุดหงิดขอเพียงแต่ว่าให้รู้ทันมันก็พอเพราะแค่รู้การละก็เกิดขึ้นการวางก็เกิดขึ้นหรือนะการปล่อยการวางแล้วสิ่งที่ตามมาคือความสงบเพราะมันในสุดก็จางคลายไปอันนี้เป็น เลือดเทคนิคก็ได้นะที่เราต้องรู้จักนะจะเอาแต่กดคมต่อสู้กับอารมณ์อย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอมีประโยชน์มันกันนะแต่มันไม่พอเราต้องเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งด้วยก็เมื่อการเรียนหนังสือนะแต่ก่อนสมัยเราเรียนประถมวัดเทียมเราก็ใช้วิธีการท่องจําบางทีก็ท่องตะพึ่บตะพือมันก็ทําให้เราเรียนจบนะแต่พอเข้ามาเิทยาลัยหรือเรียนชั้นอุดมแล้วเนี่ย ไอ้ท่องอย่างเดียวไม่พอหรอกมันต้องรู้จักคิดนะรู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์หรือรู้จักพิจารณาด้วยคือคิดเป็นมันต้องใช้ทักษะขั้นทักษะอีกแบบหนึง่งหรือเป็นทักษะขั้นสูงการรู้จักคิดท่องจําอย่างเดียวไม่พอมันต้องคิดเป็นจับหลักได้นะมันถึงจะ เกิดความรู้ความเข้าใจในวิชาที่สูงขึ้นในการปฏิบัติก็เหมือนกันนะการจริอสติเนี่ยจะเอาแต่การกดข่มการบังคับนะอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องอาศัยการารู้จักดูแล้วก็รู้ซื่ อ, อ, อหรือวางใจเป็นกลางต่อสิ่งต่างๆ ต่ออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยนะเกิดสติได้ที่ไวเกิดความรู้สึกตัวได้เร็วแล้วมันทำให้เราเนี่ยสามารถจะเป็นอิสระจากความคิดและอารมณ์ต่างๆได้มันจะมากี่เรื่องกี่ราวมันจะมามากน้อยเพียงใดรเราแค่แค่รู้เฉยๆรู้เฉยๆแค่นี้มันก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว อย่างนี้พุทนี้นะกราบพระ